ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนบทานเหมือนอย่างเรารู้ไซสัตว์ทั้งหลายยังไม่ให้แล้วก็จะไม่พึงบริโภคแสดงว่าผู้ที่รู้ผลของทานเนี่ยคงจะเห็นผลของทานนี่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับเจริญทาน บอกว่าให้กับสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมเมียในสงฆ์เนี่ยร้อยเท่าร้อยเท่าเนี่ยก็คือร้อยชาติเนี่ยนะอายุวันนะสุขปฏิภาณเนี่ยนะอย่างละร้อยอย่างละร้อยเนี่ยก็คือให้หนึ่งอิ่มเนี่ยนะคูณห้าร้อยแล้วก็ถ้าให้มนุษย์ทั่ศีลเนี่ยเป็นพันเลยมนุษย์มีศีลทั่วไปคนนอกาศาสนาเนี่ยเมียใิสงฆ์เป็น เป็นแสนถ้าหากว่านักบวชนอกาศาสนาที่ได้ฌานเนี่ยแสนโกดถ้าหากว่าอุบาชั้นที่สุดอุบาศกผู้ถึงไตราสารณาคมก็ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิพนการให้กับโดยที่สุดแม้แต่อุบาศกอย่างนี้ให้ผลหาประมาณนีได้ <c oughs> ถ้าหากว่าผู้การทอชายเป็นผู้ถึงไตราสารณาคมนะจริงๆแล้วเชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งซึ่ง โสดาปฏิพันพระองค์กล่าวว่าเป็นทานที่หาประมาณไม่ได้นั่นแหละถ้าหากว่าหาประมาณไม่ได้เนี่ยถามว่าเราจะไปหานาบุญอย่างในที่ไหนบางยุคบางสมัยมีเศรษฐีบางเศรษฐีเนี่ยตั้งเตาเนะี่ยตั้งเตาทํากับข้าวเนี่ยเป็นกิโลเมตรพ่ อ, อครัวเนี่ยเป็นหมื่นคนอะให้ทานอย่างเดียวเลยเนี่ยเป็นหมื่นปี บอกว่าโซ่ให้ทานกับทู้ที่ปฏิบัติเพื่อโสดาบันคนเดียวไม่ได้ทานนั้นเนี่ยห่างกันมากมายมหาศาลเพราะว่าเหมือนกับเราเนี่ยมีมเมล็ดพันธุ์สักสิบยี่สิบสามสิบรถสิบร้อนะเอาไปหวานที่ทะเลทรายเนี่ยถามว่ามันจะได้ผลเท่าไหร่มันได้ผลอยู่ถ้ามาเทียบกับต้นทุนอ่นะบางแห่งอาจจะเมื่อเทียบกับต้นทุนอาจจะได้มากกว่า แต่ถ้าหากว่าไปทําในเนื้อนาที่ดีอ่ะพื้นที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นนาดีอย่างเงี้ยถ้าวาดพืชพันธุ์ซักเป็นห ล, หลายสิบคันสิบล้อเนี่ยมันจะให้ผลเป็นเท่าไหร่ฉะนั้นการทํากุศลเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้ากุศลจิตมันเกิดที่ขณะให้นะกุศลจิตก่อนให้กําลังให้ให้เสร็จแล้วก็สามารถที่จะตามระลึกนึกถึงกุศลจิตเหล่านั้นได้ถ้ากุศลจิตเหล่านี้นี่ให้ผลหาประมาณไม่ได้ แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดนะว่าบุญอยู่ที่สภาพของกุศลถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายรู้เหมือนที่พระองค์รู้ยังไงต้องให้ทานนั่นแหละเพราะถ้าหากว่าสัตว์ที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในวัตะเนี่ยคนที่ยังไม่รู้แจ้งพระสัจธรรมเนี่ยหนทางที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันไกลจริงๆนะไม่รู้ว่าที่สุดของวัตะมันอยู่ที่ไหนถ้าหากว่าเราไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่ต้องถามหาเลยว่าที่สุดมันอยู่ที่ไหน อันที่สุดก็คือวันที่รู้แจ้งอริยสัจถามาวันที่จะรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยเมื่อไร่ันถ้าหากว่าคนไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีทางเลยไม่มีทางที่จะได้รู้อริยสัจเพราะผู้ที่รู้อริยสัจก็คือคนที่ตั้งปณิธานเอาไว้มีบุญไอ้คนที่มีปณิธานก็คือคนมีบุญเมียพิณิหารไว้แต่เก้าเขาจึงได้บรรลุอริยสัจ อันผู้ที่จะบรรลุอริยสัจจะต้องมาจากการให้ทานหรือการทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วตั้งเป้าเพื่อการบรรลุอริยสัจอันการให้ทานเนี่ยมันจึงเป็นสเสบียงทางของคนยากตรงนะั้นแล้วก็เราจะเห็นว่าทุกวันเนี่ยคนที่เขาหิวเนี่ยมากกว่าคนอิ่มนะในแต่ละแห่งถ้าเราไปไปดูจริงๆแล้วคนที่หิวเนี่ยมากกว่าคนอิ่มอันคนที่เขากาลังประสบทุกเนี่ยมากกว่าคนที่ได้รับความสุข พันแล้วเราเองก็ยังต้องจุติแล้วก็ปฏิสนธิอย่างนี้ต่อไปอีกเรื่อยพัะเราไม่ใช่อรูปป ร, รมเนาะที่ไม่ต้องใช้กับพระลิงก์กระหานเรายังอยู่ในภพที่ต้องใช้กับพระลิงกระหานต่อไปอีกกับพระลิงกระหานเนี่ยวันละสามมือสามือสามอคูณร้อยปีเข้าไปมันกี่มือแล้วถามว่าบุญมีพอที่จะได้มีทานอย่างเงี้ยตลอดชีวิตไหมของแต่ละชาติแต่ละชาติต่อไปอัน ถ้าหากว่าคนเข้าจะและอย่างหนึ่งผลของการให้ทานเนี่ยถ้าหากว่ารู้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลมากมายมหาศาลถ้าทำกับผู้ที่ทำให้แจ้งโสดาปฏิผลเป็นต้นไปนั่นแหละมีผลมากมายมหาศาลอัน้ารู้จริงๆและอีกอย่างหนึ่งกว่าพวกเราทั้งหลายจะไม่มีมือเนี่ยง่ายไหมสัตว์ที่ไม่มีมือกับสัตว์มีมือไหนเยอะกว่ากันสัตว์ไม่มีมือไม่มีมือเยอะนะไก่ไม่มีมือไหมไม่มี นกมีมือไหมไม่มีจระเข้มีมือไหมสัตว์ที่มีมือนะคล้ายมนุษย์ก็คือลิงที่เหลือไม่มีมือปลาด้วยยิ่งแล้วใหญ่เลยมีแต่เครบนิดหน่อยสัตว์ที่ไม่มีมือที่จะให้ทานเนี่ยมีมากมายมหาศาลนกหนูปูปีกทั้งหลายแหละอย่างมากก็คาบไปให้อย่างสุนัขเนี่ยอาจจะคาบอาหารคาบอะไรไปให้ลูกบ้างนิดหน่อยแต่ก็มีแค่ระยะสั้นๆน้อยมาก แต่ว่ามนุษย์เนี่ยมีมือมือก็สามารถที่จะหยิบให้ได้แต่ว่าการให้เนี่ยอ่เมื่อนับจํานวนแล้วในในคนพันคนเนี่ยมันจะให้ทานได้ไม่กี่คนอ่ะนะขนาดคนที่ให้ทานอย่างเงี้ยอย่างน้อยศีลเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะน้อยกว่าทานอีกเมือ่อศีลน้อยแล้วก็คนที่คิดจะอ บ, บรมจิตเนี่ยน้อยกว่านั้นอีกคนที่อ บ, บรมจิตแล้วสามารถอ บ, บรมได้อย่างต่อเนื่องก็น้อยมันคัดคัดคัดคัด คัดจนถ้าเป็นน้ำะนะกรองจนแทบจะไม่ได้ดื่มอ่ะอบรมแล้วได้ผลก็น้อยลงไปอีก น, น้อยลงไปอีกคัดลงไปอีกและเพราะฉะนั้นเนี่ยคําสอนในพระผู้มีพระภาคหรือคําสอนในาศาสนาเนี่ยจึงเป็นของที่ค่อนข้างยากเป็นของที่เป็นของคนมีบุญจริงๆมีอยู่ในสูตรหนึ่งในคาถาธรรมบทพระผู้มีพระภาคกําลังทรงแสดงธรรมอยู่นะบางคนนั่งหลับะบางคนเนี่ยแงนดูแต่ทองฟ้า บางคนก็นั่งอยู่ข้างๆต้นไม้เขย่าต้นไม้บางคนก็นั่งขีดนั่งเขียนแผ่นดินอย่างนั้นแหละทีนี้พราโนนเนี่ยยืนพัดอยู่ข้างหลังก็อัศจรรย์ใจโอ้โหพระพุทธเจ้าเนี่ยเสียงเหมือนเสียงมหาพรหมคําสอนที่ประกอบไปด้วยความลึกซึ้งมากมายขนาดนี้นะผ้าโนนเนี่ยตื่นตัวตื่นใจในการรับฟังอย่างมาก แต่คนเหล่านี้มานั่งสัตป์สงกได้นั่งดูนกชมนกชมไม้นั่งดูดาวนั่งเขย่าต้นไม้นั่งขีดนั่งเขียนแผ่นดินได้โอ้มันน่าเป็นเรื่องที่แปลกอัศจรรย์พระพุทธเจ้าบอกว่าอยาคืออนุนคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแม้แต่คํานี่ตลอดแสนโกฏตกับที่สัตว์จะได้ยินเนี่ยมันยากฉนั้นไปที่อเมริการัฐบางรัฐเนี่ยเอ้ยพระเป็นยังไงสงฆ์เนี่ยเป็นยังไง พระพุทธเจ้าเป็นยังไงเนี่ยเขาไม่เคยรู้เลยขนาดคนในโลกนี้ยังยากนะสมัยที่มีพุทธศาสนาแล้วพุทธศาสนาไม่ได้มีทุกยุคทุกสมัยเมื่อไม่มีทุกยุคทุกสมัยเนี่ยที่เขาจะเคยได้ยินคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยากจะป่วยกล่าวไปหญ่ถึงฟังธรรมเพราะฉะนั้นฟังธรรมแล้วไม่เข้าใจเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ปกติเพราะ ชีวิตของเราเลยนะถ้าเราเทียบชีวิตของเราจริงๆแลเราฟังทำกับฟังอย่างอื่นอันไหนฟังมากกว่ากันอย่างอื่นครันั่นแหละอ่านหนังสือพิมพ์กับอ่านหนังสือธรร ม, มะนี่อะไรมากกว่ากันแล้วถ้าเทียบชีวิตทั้งชีวิตแล้วเราอ่านหนังสืออย่างอื่นเนี่ยมากกว่าคําสอนเราอ่านอย่างอื่นเนี่ยเราเข้าใจทันทีแต่อ่านคําสอนเนี่ยอ่านแล้วก็ยังอ่านสามตลอดก็ยังไม่รู้เรื่องว่าท่านกาลังพูดอะไรของท่านท่านอยากให้เรารู้อะไรเรายังไม่เข้าใจเลยมันยากอย่างนั้นทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้เป็นความจริง เพราะเราอยู่ในโลกโลกอ่ะจริงแต่ว่าเราเนี่ยรู้ไม่จริงเพราะวิชามันปกปิดให้ไม่รู้ความจริงคือสัจจะแล้วคำสอนของพระผู้มีพระภาคนะยังลงสู่อริยสัจทั้งหมดเลยงนั้นในกระบวนการของชีวิตของเราเนี่ยที่เรามีเป้าหมายจะรู้สัจจะให้ได้อย่างเงี้ยแนวความคิดในลักษณะนี้เราน้อยมากที่ว่าฉันจะต้องรู้สัจจะนะไม่ถ้าเป็นพระสมัยแต่ก่อน เอาตัวอย่างแบบสมัยเจ๋งๆเลยนะพระเหล่านั้นเนี่ยท่านตื่นเช้ามาท่านตั้งใจว่าท่านจะต้องบรรลุอริยสัจในวันนี้ท่านมีอธิษฐานจิตลักษณะแบบนั้นตลอดแ้ ท, ท่านไม่ปล่อยให้แม้แต่วันเดียวเนี่ยผ่านไปอย่างบางองค์เนี่ยถึงก็เดินจงกรมจนตายนั่นแหละก็มีเดินคิดที่จะเพ่งในเรื่องอริยสัจนะแต่ไม่ได้ทำแบบคนไม่รู้เรื่องเลยนะ จะเดินให้มันรู้อริยสัจเนี่ยอริยสัจคืออะไรเดินหาเนี่ยเจอไหมคนเหล่านั้นเขาเข้าใจในเรื่องอริยสัจแล้วก็เดินคนคิดใคร่ครวรเพ่งพิจารณาเนี่ยในทุกอิริยาบถเป็นการศึกษาเรื่องชีวิตเป็นการวิจัยเรื่องชีวิตจนเข้าถึงอริยสัจได้นั่นแหละฉั้นคนสมัยก่อนจะเป็นลักษณะนั้นแต่คนยุคหลังมา บุญน้อยเมื่อบุญน้อยเนี่ยเขาจะเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นสาระในสายตาของพระริยเจ้าบอกไม่มีสาระใช่เขาเข้าใจว่าอากุศลกรรมมาบทนี่มีสาร ะ, อ, ะอยู่อย่างนี้เราบอกไม่เชื่อถ้าสมมติมีหนองน้ำสักแห่งหนึ่งเนี่ยนะมีการประชุมเพื่อที่จะ เก็บเกี่ยวปลาในในหนองน้ำเนี่ยนะคนนี่จะแตกตื่นกันไปเต็มไปหมดเลยใช่หหรืออย่างเช่นพวกลักขโมยเป็นต้นเนี่ยช่องทางตรงไหนที่พอจะลักได้นะพอที่จะไปปล้นไปขโมยได้นี่มันชักชวนกันไม่ยากนะชวนกันไปหาขโมยของกับชวนกันมาฟังทำอย่างนี้นะชวนไปขโมยง่ายกว่า น, นี้เยอะนั่นแหละแล้วเรื่องผิดศีลข้อการเมผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันง่ายยิ่งกว่านั้นอีกโมสาเนี่ยปกติ และก็ินเล่าเนี่ยถ้าเราสังเกตนะเวลาขับรถออกไปข้างนอกเนี่ยในแต่ละโต๊ะเนี่ยจะมีสุราเนี่ยตั้งอยู่ด้วยตลอดเลยขนาดข้างทางเนี่ยมาผักคนศึกษาพระธรรมตั้งมากมายนั้นปกติของสัตว์นั้นเป็นไปกับอกุศลกรรมบทแล้วเป็นไปกับพวกมิจฉาทิฐิส่วนใหญ่ที่จะมามีสัมมาทิฐิแม้แต่เบื้องต้นกรรมัสกาสัมมาทิฐิอย่างเราเรียนเรื่องไตรสารณคมนะก็คือเรียนเรื่อง สัมมาทิฏฐิในหัวข้อกรรมัสกตาสัมมาทิฏฐิเชื่อว่าท่านผู้ตรัสรู้ดีผู้ตรัสรู้โลกนี้โลกหน้าแล้วประกาศสัจประกาศคําสอนเนี่ยเปิดเผยเนี่ยมีอยู่จริงในอันนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งสัมมาทิฏฐิที่จะเรียนรู้ผมก็คือเรียนเรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็ต้องเป็นปัญญาปัญญาก็ต้องเกิดร่วมกับมหากุศล แล้วมหากุษลนะตัวนี้ในยุคนี้จะเกิดยากถ้าเทียบกับสมัยก่อนสมัยก่อนพระผู้มีพระภาคนั้นมีทั้งรูปปกายและนามกายนะเป็นผู้ที่ยังมีชีวิตพูดได้อะไรได้แต่ตอนนี้เหลือแต่ธรรมกายคือคือคำว่าธรรมกายนี้ไม่ได้แปลแบบแบบที่เขาพูดกันนะก็คือตอนนี้เหลือแต่คำสอนคนที่จะจินตนาการเป็นเป็นพระพุทธเจ้าได้จึงเป็นของที่ยาก แต่ถ้าหากว่าเราเขียนรูปปั้นอย่างใดอย่างหนึ่งให้คนมานั่งคิดคิดถึงไม่ยากแต่ถ้ามันง่ายอย่างนั้นแค่มองเห็นหน้าพระพุทธเจ้าก็เข้าถึงธรรมพระพุทธเจ้าคงให้พระวักกะลิเนี่ยติดตามดูพระองค์ต่อไปเป็นแน่พระองค์กล่าวว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเพราะนั้นพระองค์เนี่ยสิ่งที่พระองค์ทิ้งเอาไว้ก็คือพระธรรมคาสอน ถ้าถ้าสมัยก่อนใช้คําว่าธรรมกายแต่สมัยนี้ใช้ยากอาจจะคิดเป็นอื่นไปอีกนั่นแหละนั้นเหลือไว้แต่คําสอนนั้นคําสอนคนที่จะเข้าถึงคําสอนแล้วเคารพว่าผู้ที่สอนคําสอนเหล่านี้ได้เป็นพระศาสดาเป็นพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเนี่ยหายากหายากจริงๆแม้แต่ทุกวันนี้ที่เขาเรียกตัวว่าพุทธศาสนิกชนคนเหล่านั้นคือคนที่ทําลายพระพุทธเจ้าที่สุด พระพุทธเจ้ากล่าวว่าไม่มีผู้ใดที่จะทำลายาศาสนาของพระองค์ได้นอกจากภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาคนสี่ประเภทเนี่ยทำลายาศาสนาพุทธประเทศอินเดียเนี่ยนะศาสนาที่หมดจากอินเดียเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากนอกาศาสนาก็จริงก่อนที่กองทัพพวกไอ้ต่างาศาสนาเนี่ยเข้าไปฆ่าเผาวัดแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย คนในประเทศอินเดียเนี่ยแทบจะเสื่อมจากศาสนาหมดแนละ้ววิทยาลัยก็เหลือแต่วิทยาลัยทางโลกวิทยาลัยทางธรรมเนี่ยน้อยเต็มทีประทำคําสอนเนี่ยน้อยเต็มทีคิดไปอีกในหนึ่งนะว่าของธรมามาคิดเองว่ามหาวิทยาลัยนารันธาที่ถูกเผาทิ้งเนี่ยดีนะถ้าหากว่าไม่ถูกเผาทิ้งนะไอ้รับที่อื่นๆตั้งแต่สมัยนั้นจนมาถึงสมัยนี้เนี่ยนะมันจะเขียนหนังสือออกมาเท่าไหร่เราจะไม่มีโอกาสได้อ่านศาสตร์บริสุทธ์ เราจะไม่มีโอกาสได้อ่านพระไตรปิฎกเลยเราจะไปอ่านอะไรอยู่ก็ไม่รู้เป็นคำประพันธ์ของคนที่แต่งสืบสืบสื บ, ส, บสืบกันมาเหมือนกับคนสมัยนี้เหมือนกันที่จะมีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคำสอนนี่ยากหรือแม้แต่เราบอกว่าอ่านพระธรรมแน่ใจนะว่าอ่านพระธรรมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอ่านความคิดของคนใดคนหนึ่งเสร็จแล้วก็ยัดไปใส่ประภาควันนี้ของพระพุทธเจ้านี่เป็นพระธรรม ดั้นคนที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมที่เป็นจะสมมุตินะสมัยนี้เราก็ยอมรับว่าพระไตรปิฎกเป็นเป็นคำสอนจริงๆดงั้นคนที่จะมีโอกาสได้อ่านพระไตรปิฎกเลยนี่ยากส่วนใหญ่แล้วไปเป็นเรื่องอื่นแม้แต่ธรรมะก็ไปอ่านอย่างอื่นไปอ่านของคนอื่นเขียนมากกว่าที่จะยินดีอ่านของพระพุทธเจ้าถ้าเห็นบอกว่าเอวเมสุตังเอกังสมัยังข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งนี่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วนี่ใช่ไหม เหมือนกับไม่เกี่ยวกับเราเลยฉะนั้นคนที่เข้าถึงพระธรรมคำสอนจริงๆในยุคนี้น้อยมากอะมาไปลายแห่นเขาบอกว่าเขาเป็นพุทธศาสนิกชนแต่เป็นคนที่ด่าคนที่ศึกษาธรรมะคําพูดแบบดูหมิ่นดูแคลนแต่เข้าบอกคนนั้นบอกว่าฉันก็นับถือาศาสนาพุทธเหมือนกันแต่คนเหล่านั้นเป็นคนที่ด่ากันเองทําลายกันเองเหยียบย่ำกันเอง แล้วในยุคทุกวันนี้ผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมคำสอนเป็นคนแปลกประหลาดที่สุดในโลกนั่นแหละเป็นคนที่จะว่าไปก็ไม่ค่อยป ก, ป ก, ปกติแล้วคือเอาถ้าเอาแบบคนทั่วไปเป็นคนปกตินะคนที่ศึกษาคำสอนก็ดูจะผิดปกติไปเยอะเหมือนกันมีปัญหาทั้งนั้นนะครับเช่นพอนเลยมาศึกษาเนี่ยครับยากเพราะที่ที่ยากเพราะเป็นของลึกซึ้งอะ่ะ พระองค์ใช้คําว่าเป็นของคนมีบุญประทานคาสอนนี้จริงๆเป็นของคนมีบุญนะนั่นแหล ะ, ละไม่ใช่เป็นของที่สัตว์ผู้มีปัญญาน้อยมีบุญน้อยจะรู้ได้เลยลสัตว์ส่วนทั่วไปนั้นถ้าเขาจะรู้คําสอนได้เขาต้องสะสมบุญและอย่างหนึ่งของเราเนี่ยถ้าพูดไปในหนึ่งนะถ้าเรามองแบบไม่เหมือนกับเข้าข้ๆตัวเองเราเป็นผู้มีบุญนะแต่สําคัญที่สุดว่าเราจะรักษาบุญได้ไหม จมะจะเพิ่มพูนบุญขึ้นได้ไหมจะเพิ่มพูนบุญขึ้นได้ไหมใ <c oughs> ครว่าทนมาดีแล้วอุปนิสัยมาได้แล้วอัธยาศัยมาได้แล้วมนุษย์ก็ได้มาแล้วสมัยพุทธศักาชนี้ว่าเป็นถือว่าเป็นพุทธุปาทการเป็นการของพระาศาสนาของพระผู้มีพระภาค พ, พระธรรมคําสอนก็ยังเหลือยังมีทีนี้อยู่ที่ที่เราแหละเอา<พ>ที่จริงพวกผมมีปัญหานะมีปัญหาจริงๆนะครับแต่ปัญหาระยะยาวครับเช่นมันเป็นปัญหาระยะยาวครับ นะเพราะว่าเรามองปัญหาชีวิตไกลออกไปเจตพานบางท่านเพิ่งมาก็เพิ่งมีปัญหาครับแต่ผมมานานแล้วก็มีปัญหามานานแล้ว เ, เรื่องการให้ทานนี่นะครับถ้าหากว่ารู้ผลของทานแล้วเนี่ยจะไม่ให้ทานก่อนทานเนี่ยไม่มีหรอกครับเจตพาถ้าหากว่ารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าการให้ทานนั้นเนี่ยเป็นการให้แบบที่รู้ เรื่องของกรรมด้วยใช่ไหมครับเจริญพรมีปัญญาประกอบมีปัญญาประกอบด้วยเจริญพรเขาจึงบางท่านมีอุกมาว่าถ้าเราเนี่ยนะจะไปซื้อข้าวกินมีเงินอยู่ประมาณห้าสิบบาทไปไปเจอไอ้แผ่นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านเลยแล้วเนี่ยมีเงินอยู่ห้าสิบาทเนี่ยเราจะไปซื้อข้าวกินหรือจะซื้อไอ้สิบสองล้านเราจะเอาอะไร ก็ต right? right? ้องเอาลอตเตอรี ue, ่ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวกินค่อยไปไหว้พิงงี้นะทั้นคนที่เขารู้จักผลของการให้ทานก็จะในลักษณะเดียวกันคือต้องต้องฟังให้ดีหน่อยนะคือการรู้ผลของทานรู้ผลของทานนี่เป็นเรื่องของปัญญานะครับแต่ว่าการให้ทานนั้นะให้เพราะรู้ผลของทานกับการหวังผลของทานนี่ก็มันก็แตกต่างกันแตกต่างกันแตกตางกันใช่ครับ การที่รู้ผลของทานแล้วให้ทานนะครับก็ไม่จําเป็นต้องหวังก็ได้เพราะรู้อยู่แล้วยังถึงไม่หวังก็ต้องได้อยู่แล้วเจนพะพระ อ, องค์จึงไม่ได้สอนให้หวังเอาผลของทานให้ทานนี่ให้ไปเถอะแล้วรู้อา น, นิสงส์ของการให้ทานด้วยแต่ในขณะเดียวกันนั้นพระ อ, องค์ให้เอากุศลนะนั้นเป็นอุปนิสัยเพื่อกุศลชั้นสูงๆต่อไปพระ อ, องค์สอนในลักษณะอุปนิสัยปัจจัยคําสอนของพระพุทธเจ้านะสอนเรื่อง ปตูป่านิสยปัจจัยสะสมอุปนิสัยเช่นทานกุศลเพื่อศีลกุศลศีลกุศลเพื่อสมาธิกุศลหรือภาวนากุศลและภาวนากุศลเหล่านี้ก็เป็นจากภาวนาชั้นน้อยๆเนี่ยเคลื่อนไปสู่ภาวนาที่หาประมาณมิได้พระ อ, องค์จะเน้ น, นในลักษณะนั้นแต่ในขณะเดียวกันพระ อ, องค์ก็ชี้ชี้ด้วยว่าด้วยกรรมปัจจัยเนี่ยเจตนาตัวนี้ให้ผลแบบนี้ ให้ผลในกี่ระยะกี่ขั้นตอนพระองค์ก็แสดงแต่พระองค์ไม่ได้หวังให้ไปต้องการผลอันนั้นเพราะพระองค์กล่าวว่าถ้าหากว่าผู้ที่ให้ทานแล้วปราถนาเพื่อความเป็นมนุษย์เป็นท่าสทัถ้าหากว่าปราถนาเป็นเทพเป็นสหายทานแต่ถ้าปราถนาเอากุศลที่เกิดจากการให้ทานเนี่ยปราถนาเป็นอุปนิสัยเพื่อบรุมรรทผลเนี่ยเป็นสามีทานาเป็นเจ้าของแห่งทานอย่างแท้จริง ก็เปรียบว่าถ้าหากว่าให้แล้วเนี่ยหวังผลก็เหมือนกับแบบเป็นธาตุของตันหาถ้าให้แล้วก็เอาหวังสูงขึ้มาหน่อยก็เสมอตันหาท่านว่าอย่างนั้นใช่ถ้าสูงกึ้นไอีกก็เหนือตันหาเอาชนะตันหาได้มันก็ก็นี่ก็เป็นเรื่องของทางซึ่งบนข้อความที่สั้นๆนะครับก็น่าสนใจนะครับไตรสารณคมนั้นที่เราเคยกล่าว ถึงไตรสนาคมที่เราพูดก็คือพุทธังสรนังคัตฉามินะจะอธิบายคําว่าพุทธังก่อนนะแล้วก็สารนังก็ค่อยว่าอีกทีหนึ่งั้นคําว่าพุทธังมันเป็นภาษาบาลีนะพุทธังเนี่ยมันเป็นทุติยวิพัตน์แล้วว่าซึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าบาลีเนี่ยมีพุทโธพุเทพุทาพุทธังพุเทนะพุเทหิอย่างเงี้ย แต่ทีนี้ว่าพุทธัทงเนี่ยเป็นทุติยาวิพัฒน์ดันั้นถ้าหากว่าเอามาขยายต้องขยายเป็นปฐมาวิพัตน์เป็นประธานเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพุทโธนั้นพุทโธนั้นเพราะพระ อ, องค์เนี่ยทรงตรัสรู้สัจจะทั้งหลายแ ล, าออลแล้วก็พระพระองค์ทรงปลุกหมู่สัตว์ให้ตื่นแล้วก็พระองค์ทรงรู้ธรรมะทั้งปวงธรรมะใดที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่มี และพระ อ, องค์เนี่ยทรงเห็นธรรมะทั้งปวงและพระ อ, องค์ทรงรู้ธรรมะที่ควรรู้ยิ่งพระ อ, องค์นี่ทรงเบิกบานแล้วและ ว, ว่าพุทโธเนี่ยก็คือพระ อ, องค์เนี่ยมีอาสวะสิ้นแล้วตรงนี้คําว่าพุทโธขยายเป็นอรหันนั่นเองเพราะผ่าอารหันนี่เรียกว่าพระขีณาสพขีณาสพก็คือขีณาสวะไม่มีกิเลสเส้นอาสวะคือ เครื่องหมักดองในจิตตะสันดานไม่มีกาสะวะกามาสะวะไม่มีทิฏฐาสะวะไม่มีภาวาสะวะแล้วก็ไม่มีอวิชชาสะวะที่หมักห ม, มมอยู่ในจิตตสันดานถ้าหากว่าเป็นปุถุชนทั่วไปเวลาเห็นเวลาได้ยินจะเห็นจะได้ยินด้วยวิถีจิตที่เป็นไปกับอาสะวะ ถ้าไม่เป็นกามาสะวะก็ทิฏฐาสะวะไม่ทิฏฐาสะวะก็อวิชชาสะวะก็มีบางประเภทที่เป็นภาวาสะวะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกามาสะวะคำว่ากามะแปลว่าแปลว่าใครเป็นชื่อของโลภะอีกชนิดหนึง่งทิฏฐาสะวะนี่ก็เป็นเรื่องของทิฏฐิและก็อวิชชาสะวะเลย ที่สังเกตชัดเจนมากที่สุดก็คือปุถุชนก็คือเป็นผู้มีอาสะวะเพราะมีอวิชาะวะาวชาสวะอวิชชาสวะก็คือการไม่รู้อริยสัจนั่นแหละก็เราใช้ตาเห็นแต่ไม่มีตาปัญญาพอที่จะเห็นอริยสัจได้ก็ไม่รู้ว่าเรียนธรรมะครั้งนี้รู้อริยสัจได้ก็พอแล้วนะของธรรมมาเนี่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคนะรู้อริยสัจนี้ก็เลือกศึกษาแล้วพอล้ เป็นพระอเสขะแล้วถ้ารวะอริยสัจอ่ะก็เป็นพระอรหันเนี่ยนะเจริญสี่ปัฏฐานเป็นพอแล้ววัตถุประสงค์พวกผมเนี่ยนะคะเอาแค่เจริญสี่ปัฏฐานเป็นถือว่าพอใจแล้วสติปัฏฐานนี่ก็คือเรื่องของอริยสัจนั่นเองนะหรือว่าเจริญปัศนาเป็นพอใจแล้วนะครับท่านลองนึกดูครับถ้าหาว่ามีบางคนเข้ามาหาตั้นท่านอาจารย์ครับอีฉันอยากจะ จเจริญนิพพาสนาช่วยบอกหน่อยครับอีฉันจะเจริญเดี๋ยวนี้นี่เป็นเรื่องที่แปลกเลยครับอีฉันจเจริญเดี๋ยวนี้ช่วยบอกหน่อยสิ <c oughs> แล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่เนี่ยตรางี้นะเจริญนิพพสนาเพื่ออะไรแล้วทําไมต้องเจริญนิพพสนาด้วยนะเอาคําถามง่ายๆถามเจริญเพื่ออะไร